พระธรรมเทศนาแผ่นที่52ลำดับที่ห้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หเมษายน2556มีชื่อเรื่องว่าอาชาติศัตรูรู้เท่าไม่ถึงการวันนี้ทางประเทศไทยของเรา จัดว่าเป็นวันจั ก, กรีเป็นวันสำคัญยิ่งของชาติแต่พวกเราอยู่ในป่าก็ปฏิบัติธรรมในตังอกตั้งใจประพุทธปฏิบัติธรรมช่วงนี้เป็นช่วงนักศึกษาแพทย์มหิดลทั้งสิบสองท่านและก็มีนาคเพิ่มเติมพระใหม่สององค์เป็นสิบสี่พระใหม่ แล้วก็เป็นพระในอยู่ในวัดของเราช่วงนี้ก็พอสมควรแต่เรื่องอากาศในช่วงนี้ก็ร้อนฝนไม่ตกแต่จะเปรียบเทียบกับข้างนอกที่เราออกไปข้างนอกออกไปจากถิ่นของเราก็รู้สึกว่า อาจจะเป็นการยกย่องวัดหรือว่าที่อยู่ของเราก็วาดาดแต่หลวงพ่อก็บาร้อนกว่าร้อนกว่าวัดของเรามากเพราะวัดของเราส่วนหนึ่งก็มีน้ำก็มีพอสุ้มควรและก็ป่าไม้กว่าที่แดดมาลงจะเผาลงมาสู่แผ่นดินก็มันก็ถูกกับใบไม้ประทะกับกิ่งไม้ต้นไม้ ต้นไม้ของเราสูงในวัดก็รู้สึกว่าจะเย็นกลางคืนกลางคืนในก่อนรู้สึกจะไม่ระอุแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ใกล้ปูนซีเมนเวลาแดดถูกเผาหินก้อนหินเผาปูนซีเมนกลางคืนก็ระอุร้อนมากแต่วัดของเราไม่มีหินไม่มี ปูนจะเมนมากอยู่ในป่ากว่าที่แดดจะเผาลงมาผ่านต้นไม้ลงมาสู่แผ่นดินก็แผ่นดินเล็บใบไม้มันก็ปกปิดแผ่นดินไว้อยู่ก็มีส่วนด่งมั้งที่ทำให้วัดของรอมที่ไม่ร้อนระอุกลางคืนฮะแต่ถึงยังไงกลางคืนก็ต้องได้ไดใช้ผ้าห่มเหมือนกันนะนก็แปลกเหมือนกันนนะ แต่ว่ากลางวันก็ร้อนก็จริงแต่ว่ากลางคืนนี่หนีจากผ้าห่มไม่ได้ต้องมีผ้าห่มไว้พื้นหนึ่งแต่จะทํายังไงได้เราอยู่ในท้องฟ้าไม่ร้อนก็หนาวแี่จะอากาศจะพอดีพอดีนั้นงคงจะหายากเหมือนกันบางทีกับบางประเทศกับพายุถลมแผ่นดินไหวสินามิอย่างเนี้ย อย่างต่างประเทศพวกเราก็ได้ยินบอกว่พาพะหิมมะเนี่ยไม่เคยมีมา ก, ก่อนหิมมะตกอย่างมากอย่างพัวโลกเหนืออย่างรัสจงรัสเซียอย่างนีน้เราก็ได้ยินมาเพราะโลกทุกวันนี้เป็นโลกการสื่อสารใครอยู่ที่ไหนก็รับรู้รับทราบกันได้ง่ายแต่ถึงยังไงพวกเรา อยู่ในประเทศไทยก็ถึงยังไงก็คงจะไม่ถึงกับร้อนตายถ้าไม่ไปตากแดดจริงๆนถะ้าไปตากตากแดดจริงๆก็อย่างว่าแต่มันร้อนก็นมาเราก็มีน้ําอยู่แล้วนี่ก็พวกเราเป็นนักศึกษาที่มาบวชในครั้งในหลวงพ่อเองก็เห็นใจลูกหลานเหมือนกันถ้าเห็นใจหลวงพ่อรวยเหมือนกันเนะพราะมันร้อนจะทําทยัางไงต้องอดทนน่ะ สรุปแล้วก็คือต้องอดทนขันติคือความอดทนเป็นเบื้องหน้าถ้าเราไปอยู่หน้าสถานที่ใดหนาวเราก็ทนไม่ไหวร้อนก็ทนไม่ไหวหิวพอที่จะทนได้ก็ทนไม่ไหวกระหายพอจะทนได้ก็ทนไม่ไหวเวลามีคนดุด่าว่าล่ามีคนล่าวขวัญนินทาก็ทนไม่ไหว เวลาพ่อแม่ดุด่าว่าเกา่าครูบาอาจารย์ดุด้าว่าเกา่าทนไม่ไหวถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นไปนว่าขาดขันติคือความอดทนไปอยู่นัสถานที่ใดโบราณก็บอกว่าไม่ดีถ้าคนขาดความอดทนถ้ามีความอดทนแล้วใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดรอบขอบ เราจะทำงานการอนไนก็ต้องมีความอดทนในเรื่องนั้นๆอย่างชาวนาที่เขากว่าจะได้ข้าวมากินมาซื้อมาขายก็ไม่ใช่เพราเขาไม่อดทนเจ้าวสวนก็เหมือนกันทามาค้าขายก็เหมือนกันเป็นข้าราชการก็ใช่ย่อยอีกเหมือนกันจะต้องมีความอดทนเป็นพระบวชมาเป็นพระในพระพุทธศาสนา จะไม่มีความอดทนเชลเลยก็ไม่น่าจะถูกต้องเหมือนกันเราต้องมีความขันติคือความอดทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายต้องมีความอดทนเป็นชั้นนําที่เดียวเพราะว่าเราฉันก็ฉันมือเดียวฉันหัวเดียวฉันอาชนะเดียวฉันในบาศเอกต่างหา สถานการณ์เป็นอยู่หลายหายอย่างที่แตกต่างจากคารวาสแตกต่างกว่าสมัยก่อนเมื่อเราเป็นโยมเป็นนักศึกษาหรือว่าอยู่กับพ่อแม่เราอยู่ในระดับหนึ่งแต่พอเข้ามาปวดในคราวนี้ครั้งนี้ความอดทนทั้งหลายทั้งปวงประเด่งป ร, รังเข้ามาเหมือนกันแต่ถึงยังไงพวก เ, เราให้ดู เให้เดินสงบนิ่งดูมันมีอะไรเราต้องสู้ได้ทุกรูปแบบเพราะความอดทนของเรามีเราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องศึกษาอันนี้คือคแขนงหนึ่งเมื่อเหมือนกับพวกเราไปเรียนฝึกหัดรอรออย่างนี้แหละหรือว่าไปฝึกหัดงานอย่างนี้เราจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้บึงเขามันก็ต้อง ฝกึก็มากฝึกฝึกหนักขนาดไหนมันก็ต้องมีอีกซ้อมหนักขนาดไหนอันนี้พวกเราเป็นนักพจนักบวชก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถึงยังไงความอดทนต้องมีเป็นพื้นฐานของเราเราต้องได้คิดไว้ถ้านักพจนักบวชไม่มีความอดทนแล้วใครจะเป็นผู้อดทนเนี่ยเราต้องมีความอดทน มากมายและหลายอยา่างอดทนต่อการอยู่การฉันอดทนต่อการเป็นอยู่ดินฟ้าอากาศอดทนต่อแมลงมแมลงที่อยู่ในป่าอดทนต่อสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่จะมารางควานเบียดเบียนอดทนต่อการหลับการนอนการกลัวแะอยู่องค์เดียวกลัว ค, ความมืดกลางหากกลัวสรพพสิ่งที่มองไม่เห็นนึกคิด อในตัวของเราเลืกคิดปรุงแต่งอีกต่างหากสรุปแล้วคือต้องอดทนถ้ามีความอดทนในจิตในใจแล้วน่าจะเป็นคนดีอดทนครั้งนี้อดทนครั้งต่อไปหลายๆครั้งเรียกว่าคันตินคือความอดทนนี่นหะใช้ได้ในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อถ้าคนมีความอดทนแล้วดีเว้นเกีย่าอดทนต่อความทําความชั่วท่านนะ จะไปทำความชั่วแล้วไปอดทนต่อการกระทำนั้นอ่านำก็ได้อดทนได้แต่ผลออกมามันชั่วมันไม่ดีอะไรที่มอดทนต่อความชั่วนั่ยอดทนไปซื้อขายยาบ้าหลบปลีกไปอยู่ในป่าดงพพงพยบางคนเป็นนอนแช่น้ำอยู่กลัวตำรวจจะจับอย่างนี้อดทนอยู่งั้นแหละขึ้นมาก็ไม่ได้กลัวตำรวจเยนี้น ถ้าอดทนอย่างนั้นเป็นอดทนทาชั่วอดทนทำบาปผลออกมาก็ไม่ดีเป็นบาปอกุศลถ้าอดทนเดินยังกรมนั่งภาวนานั่งให้นานอย่างนี้ประกอบคุณงามความดีอย่างนี้อันนี้แปลว่าการอดทนต่อคุณงามความดีการอดทนต่อความชั่วก็มีมีมากเหมือนกันเพราะนั้นขันตนิใช้ได้ทั้งสองอย่าง อดทนในทางความชั่วอดทนในทางความดีแต่พวกเราต้องศึกษาศึกษาเราเป็นปลาดไม่ต้องศึกษาศึกษาหาความรู้เราจะอดทนเพื่อสร้างคุณงามความดีเท่านั้นเราจะไม่อดทนในการทําความชั่วในใจของเราเราต้องคิดอย่างนั้นนั้นขอให้พวกพระลูกพระหลานทั้งหลาย ให้มีความมีให้มีขันติใน จ, จิตใจนะครับประกอบคุณงามความดีอย่างที่พวกเราสวดสักคู่นี่ชราธรรมหิเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราจะได้ทํากรรมอันไหนไว้เราจะได้รับผลของกรรมนั้นกรรมมาโยนิกรรมมพันธุกรรมมาปฏิสารานาเราจะทํากรรมอันไหนไว้เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้น อันนี้ก็คือเราต้องคิดไว้ในใจในหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่ากรรมคำนี้ถ้าเราทำไม่ดีไปแล้วมันจะเดือดร้อนเสียหายนานเท่านานใ น, ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเราประเท็จฐเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชสกุลสมัยหนึ่งกรุงราชสกุลคื อ, ค อ, คอพระเจ้าพิมพิสาร เมื่อพระพุทธเจ้าของเราเสด็จออกไปทรงผนวดอยู่ในแม่น้ำอโนมานาทีจากนั้นเข้ามาบินทบาทในกรุงราชคือพระเจ้าพิมพิสารได้พบเห็นพระพุทธเจ้าก็กราบไหว้แล้วก็ขอมอบแผ่นดินกรุงราชคือให้เลยไม่ใช่ธรรมดานะพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ไม่รับ จากนั้นกอท่านก็ขอพอรว่าเมื่อพระองค์ได้ตัดสู้ได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมแล้วก็ขอนำธรรมนั้นมาโปรดพวกข้าพเจ้าเป็นเมืองแรกโดยเทินในพระองค์ พ, พระพุทธเจ้าก็รับเพราะยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่พอพระองค์ได้ตัดสู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็จะเด็จมากราชจะคือเป็นเมืองแรกนะท่านจะนั้นมาโปรด ปัญจวัคคีย์เสร็จแล้วท่านก็มาโปรดชรินสามพี่น้องรุเวลานาทีกัตะปะเจอกแล้วท่านก็มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจากนั้นก็ได้มาสร้างวัดปา่าเวลุวันเป็นสวนสวนที่ออกกำลังกายแล้วสวนมันก็สวนลุงพิณีอย่างไรศานาไหนนี่คงจะนอกเมืองพอสมควรเป็นสวนใหญ่สวนป่าไม้พยัย พระเจ้าพิมพิสารถวา ย, ยาวพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ขอรับสวนเวลุวันป่าไม้ไัยจากนั้นพระพุทธองค์ก็สร้างทำเป็นวัดขึ้นมาเป็นที่พักพาอาศัยสำหรับพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ได้ดูเป็นหลักอยู่ในกรุงราชสักคืก็คือวัดป่าเวลุวันเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา ขณะนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารกับวัดป า, า, าเวลุวันกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์พระพุทองค์เขไปฉันบินถวายในกรุงบ่อยๆเมื่อพระเจ้าพิมพิสารนับถือเป็นพุทธศาส น, นิกนชนเป็นพุทธมาม ก, กะเป็นพุทธศาสนูปถรมภกท่านก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบัน เมื่อได้สาเร็จโสโดาบันแล้วกันเป็นผู้แน่นอนต่อมาอีกพระอัครมเหสีท่านหนึ่งก็ได้สาเร็จเป็นพระทหารคือนางเคมาแต่พระเจ้าพิมพิสารมีอัครมเหสีท่านหนึ่งก็คือเป็นเป็นน้องสาวของพระยาปเสนปเสนที่โกศล แต่พ่อของพญาประเสิทธิโกศนี่เชื่อว่าพญาโกศนพระเจ้าปดินโกศนกรุงสาวัตถีแต่นี้พระเจ้าโกศ น, น, น, ก, นก็คงมีลูกหลายคนแต่ไม่ชัดเจนว่ากี่ท่านกี่คนแต่คนหนึ่งก็คือเป็นผู้หญิงและก็พระเจ้าพิมพิสารไปขอแล้วก็มาเป็นอคคมเหสีกรุงราชคือต่อมา พานางนี่ก็ทรงทรงคันเนะี่ยคือมีคันมีลูกในท้องแต่ขณะที่มีลูกในท้องเนะี่ยนางโกศลนะอยากจะเสวยเลือดในพัเาเผาหรือในหัวเขานะ่าหลวงพ่อก็เรียกไม่ถูกละราชศาศ์ คืออยากจะกินเลือดในหัวเข่าของสามีพอผลที่สุดนางก็เลยพูดให้ใครตกใครผู้ที่อยู่ใกล้ชิดฟังพระเจ้าพิมพิสารเอาได้เนี่ยทำไมจึงแพ้ท้องทำไมจึงอยากจะกินเลือดในเ ล, ดเลือดเข่าของพระเจ้าพระสวามีเพราะเหตุไร จากนั้นก็พระเจ้าพิมพิสารก็เรียกโหรอพวกโหราศาสตร์ทั้งหลายพวกโหรมาทำนายทายทักว่าลูกในท้องเนี่ยจะเป็นยังไงทำไมจึงอยากจะกินเลือดในกินเลือดในเข่าของของพ่อโหรกเขามาทำนายเขาก็บอกว่าลูกในท้องเนี่ยถ้าเกิดมาเนี่ยจะแย่งราชสมบัติ จะฆ่าพระบิดาแล้วก็จะแย่งราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระบิดาแค่นี้จะ ท, ทำยังไงพระเจ้าพินพิสารโอ้ไม่เป็นไรลูกของเราเนี่ยถึงจะลูกไม่ฆ่าก็าจะตายอยู่แล้วไม่เป็นไรเรารับได้ไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดให้ลูกออกมาเลยเห็นหน้าลูกนั่นก็ปลื้มใจแล้วพระเจ้าพินพิสารห้ามเลย จากนั้นพระ อ, องค์ก็หาแพทย์หลวงมากัดเจาะเลือดจากหัวเขา่าให้อัคคมเหสสีสวยสวยเลือดนางก็ได้สวยเลือดในหัวเข่าของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็หายแพ้ท้องพอหายแพ้ท้องที่นี่นางโกศลนี่ก็อัคคมเฮสสีโอ้ท้าลูกออกมานี่ยไปหาฆ่าพ่ออย่างนี้มันจะเกิดอันนั้นอะไรก็จะเป็นมงคลอะไร ลูกก็ลูกของเราท้องของเราเราควรจะฆ่าทิ้งรีดออกเนี่ยนางก็คิดแลยแต่ว่านางคิดเลยเกิดมึงคงจะคนก็ไปพูดให้พระเจ้ารพระเจ้าพิมพ์พิสานฟังพระเจ้าพิมพ์พิสานก็ห้ามให้คนดูแลไม่ให้ทําเพราะว่าที่ยังไงก็ลูกของเราอย่าอย่าทําถอะคล้ายๆกาคงจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเชื่อโหน ผลทำนายจากนัานนานี่ก็ยังไม่ลดละความพยายามบอกเอาเถอะเมื่อรีดในพระราชวังไม่ได้คงจะออกเป็นรีดในสวนอุทยานนางก็บอกกระศิบกระซาบคู่คนขอให้ออกออเป็นรีดลูกออกจากท้องให้เถอะเพราะว่าฟังฟังดูแล้วไม่เป็นมงคลอย่างมากจากนั้นก็ พอพระเจ้าพิมพิสารได้ยินอีกถึงหูพระเจ้าพิมพิสารอีกพระเจ้าพิพมพิสารอีกห้ามอีกเพราะว่าไปอย่างว่าเพราะพระเจ้าแผ่นดินเนี่ไปนสถานที่ใดอยู่นัตสถานที่ใดกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายคนหนึ่งก็เห็นด้วยคนหนึ่งก็มาเห็นด้วยคนหนึ่งก็พูดให้ฟังพระเจ้าพิมพิสารก็เลยห้ามไม่ให้นางสเสด็จไปอุทยานอีกต่อไปผลที่สุดนางก็เลยครบ พบคลอดก้าเดือนนางก็ได้คลอดบุตรออกมาเป็นชายดูแล้วแข็งแรงกำยำโขรก็เลยมาตั้งชื่อว่าอาชาติชาติตรูกุ ม, มารอาชาติชาติตรูกุ ม, มารแปลว่าเป็นกุ ม, มารเป็นศัตรูก่อนเกิดความหมายและความแปลเป็นศัตรูก่อนเกิดก่อ น, อนที่จะเกิดมาก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าแผ่นดินแล้ว กับพระเจ้าพ่อแล้วพระปิดาแล้วต่อมาอีกพระเจ้าพิมพ์ิสารก็เลี้ยงดูลูกชายด้วยความรักที่สุดสมัยหนึ่งลูกชายเป็นฝีเป็นฝีอยู่ที่ข่าพระเจ้าพิมพ์ิสารมองดูแล้วกลัวลูกจะปวดกลัวลูกจะเจ็บถ้าไปบีบออกหรือว่าใช้อะไรเข้นออกอ เดือพ่าตัดออกพระเจ้าพิมพิสารใช้ปากดูดดูดหัวฝีออกจากออกจากเขา่าของลูกชายถึงขนาดนะความรักพ่อกับลูกทางแม่ก็ไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่ก็ต้องรักโดยกันนะั่นแหละพอต่อมาอีกวันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เข้าไปฉันในเวียงวัง ในประชันในพระราชวังของพระเจ้าพิมพิสารแต่เนี้นเขาเขาเอาลูกชายของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าซาตตูกุ ม, มารและซาตตูกุ ม, มารมามอบให้มาเอามาให้พระเจ้าพิมพิสารขณะที่พระเจ้าพิมพิสารกําลังจะฟังประธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอยู่แต่เนพอพระเจ้าพิมพิสารได้รับลูกชายเอามัด นั่งอยู่บนพระเรลาคือคือนั่งบนตักจากนั้นก็หยอกล้อกับลูกชายใครๆบอกเพลิดเพลินเห็นลูกชายแล้วลืมกระตั้งพระพุทธเจ้าลืมพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจางอ่ะพอเห็นลูกชายแล้วก็ลืมช่วขณะหนึ่งพระพุทธเจ้ากําลังเทศชนาอยู่กําลังแสดงธรรมอยู่เห็นพระเจ้าพิมพ์ิสารเผอไผลไปอย่างนั้น คือไม่ได้ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไปเทศน์นสถานที่ใดไม่ใช่ของหาฟังได้ไง่ายๆต้องฟังด้วยเหตุด้วยผลฟังด้วยเรื่องต่างๆเรื่องจะต้องมีมีมักมีผลในจิตใจไม่ใช่ว่าจะเข้าไปแบบไม่ได้ใส่ใจพระพุทองค์ก็เลยเตือนพระเจ้าพิมพ์ิสารบอกว่ามหาภพิษในครั้งก่อนหน้านี้ การที่รุ่มหลงกับกุมารกับลูกเนี่ยไม่เป็นผลดีเพราะว่าในครั้งกนันนู่นกุมารเนี่ยเขาขังไว้เลยนะจนพระบิดาสวรรณคตสก่อนจึงปล่อยออกมาจากกรงขังจากมาจากคุกจากตารางที่คุมขังมาให้สวยราดเพราะนั้นพระองค์ ต้องดู น, ะ, นะอันนี้พระพุทธเจ้ารู้แ่ะเตือนะเตือนไกลๆแบบนั้นแต่ว่าความรักลูกของพระเจ้าพิมพ์ิสารเนี่ยไม่ฟังมาใกล้ๆว่าออขณะที่พระพุทธเจ้าเตือนขณะนั้นก็ยังเป็นไปได้หรือลักษณะอย่างนั้นแหะเพราะปุถุชนเนี่ยเพราะความรักเนี่ยตอนนี้นพระเจ้าพิมพ์ิสารก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าที่เออลูกชายไปขังวิษณก่อนจน พระเจ้าเป็นดินพระบิดาสวรรคตซะก่อนจึงได้เอาลูกชายออกมาเพื่อสวยราชขังไว้พระโงควในสมัยหนึ่งพระเจ้าพมทัศของราชสมบัติอยู่ในกรุงพารานสีทีนี้พระเจ้าพมทัศส่งลูกชายไปเรียนเมืองตกศิลากับไปเรียนกับทิชชระโมกอาจารย์ พอไปเรียนจบแล้วอาจารย์มองดูมองดูโง่เห้งเอมองดูพระราชฎรุมาเนี่ยพระราษกุมารคนนี้เนะี่ยเมื่อได้ครองราชถ้าวันได้ลูกชายคนโตโนะลกลูกชายคนโตเนะี่ยจะฆ่าพ่อจะฆ่าพระเจ้าแผ่นดินคนเนี้ยที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนจะครองราชแทนแต่เอาเถอะเมื่อเรารู้แล้วเราจะให้ กล่าวคาถาสอนคาถาให้ให้เขาว่ากล่าว mm hmm. เมื่อข่าวจาเป็นจะต้องกล่าวทีนี้ก็แนะนำเลยนะแนะนำพระราชกุ ม, มการกรุงพารันสีก่อนที่จะกลับไปกรุงพารันธสีกลับไปเมืองเพื่อถวายหรือว่าไปแสดงความสามารถวิชาที่ตัวเองได้เรียน เมืองจากจบเมืองจากเมืองตะกะศีลาจางนั้นพอจะ ก, กลับไปพระเจ้าอาจารย์ที่สัปปามโมกได้เลยสอนเป็นวิชาให้แล้วก็สอนเสร็จแล้วก็ให้กล่าวนะเมื่อได้ลูกชายคนโตอายุสิบหกปีนั่นแหละเอาเมื่ออายุสิบหกปีแล้วพออายุครบสิบกปีให้กล่าวคาถาอย่างนี้ ในขณะที่กําลังจะทานอาหารให้กล่าวคาถานี้ในขณะที่ออกงานในราชสํานักให้กลา่าวคาถาคํานี้ในขณะที่อยู่บันไดที่จะขึ้นไปห้องบรรทมแล้วให้กลา่าวคํานี้ในขณะที่อยู่ในห้องบรรทม ทิศสัพพโมกจาร์ประดิษฐ์ประดิษฐ์คําพูดไว้ให้เลยจากนั้นก็จําได้เสร็จเรียบร้อยแล้วกันกใส่ใจไนวะ้อย่าลืมนะแต่นี้พระเจ้าพระราชจุมา a กรุงพาราณสีก็จําไว้พอต่อมากัมากลับมาถึงกรุงพารานสีแสดงความสามารถให้แก่พระบิดาจากนั้นพระบิดาก็พระพิเศษขึ้นมาเป็นอุปราชจากนั้นก็ พอพรอบิดาสวรรคตแล้วก็ได้รับบัพติศกขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินชื่อพรมทัตนะพอต่อมาได้ก็ได้เข้ามงคลสมรสก็ได้ลูกชายคนแรกคนหัวปีก็เลี้ยงดูจนถึงอายุสิบหกปีพออายุสิบหกปีอาจารย์ได้เขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้เราควรจะกล่าวคาถาอย่างที่อาจารย์บอกกล่าวนะ คือพออายุสิบหกปีเจ้าฟ้าชายหนุ่มคนนี้ก่อนนั้นคิดจะแย่งราชสมบัติจากพระบิดาทีไหอคล้ายๆว่ามีความคิดขึ้นมาอยากจะแย่งราชสมบัติจากนั้นก็ไปพูดกับพวกมหาดเล็กจะเอาอย่างไงวะเราคิดอย่างนี้อย่างเนี้ยพวกนั้นก็เสริมทันทีเลยเอาได้ควรจะทําอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นทำอะไรเป็นอันดับแรกคืคือให้อาหาร ให้อาหารที่เป็นพิษกับพระราชาอาหารอย่างกินเข้าไปแล้วก็แปลว่าเป็นพิษอย่างแรงแต่นี้ก็วันนั้นก็พระราชุกุ ม, มารนี่นก็เข้าไปเฝ้าเป็นครัวต้นเลยไปคุมเรื่องอาหารพอถูมาพระเจ้าเป็นดินกล่าวคาถาขึ้นในก่อนที่จะสวยสวยอาหารแต่กุ ม, มารนี่นยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ยาพิษแต่กำลังเตรียมแล้ว ยืนดืนนั่นนะคุ้มเชิงอยู่หาจังหวะอยู่พระเจ้าประดิษฐ์กล่าวคาถาคืนว่าหนูอยู่ในที่มืดหรืออยู่ในที่แจ้งก็เลือกกินข้าวสารเรือว่าแกลบหนูก็รู้รำหนูก็รู้ข้าวสารหนูก็รู้เพราะนั้นอย่าไป อย่าไปทอํอให้หนูหนูจาให้รู้ในเหลืองเถียงตัวนี้ไม่มีเจ้าชายหนุ่มรู้เลยอุ้งพวกพบิดาคงรู้กับเรื่องเราแล้วเนี่ยมาก็เข้าเข้าประเด็นเป๊ะเลยที่เราจะเอาอยาใส่นเนี่ยพอบิดารู้เลยอย่ามาใส่นะถึงจะใส่เท่าใสร่เราก็รู้อยู่แล้วใครจะใส่ใครจะทำอะไรลักษณะเนีอยจีนั่นก็เลยหยุด ไม่ใช่ออกไปโอ้พ่ออุปภรปีดารู้แล้วเรื่องเรื่องต่างๆเป็นความรับแตกแล้วแต่ทีก็เฉย อ, อีกพอต่อมาอีกพระเจ้าเป็นดินจะออกงานอีกแล้วคนนี้จะสอดดาบอะไรที่จะเป็นฟันพระเจ้าเป็นดินอพระเจ้าเป็นดินก็กล่าวค่าท้าขึ้นมาอีกก่อนที่จะออกงานใครจะทําอะไรให้กับฆ่าเนี่ยข้าก็รู้ ไม่ข่าไม่รู้เอาเถอะถ้าข้ารู้ไว้หมดแล้วในสิ่งที่สุ่เจ้าคิดจะทำ <c ười> คล้ายๆลักษณะอย่างกันแ้นพอครั้งที่สองขึ้นไปบันไดพูดอกีกพอครั้งที่สี่พูดอกีกพอครั้งที่สี่เขาไปซ่อนอยู่ใต้ใตห้องบรรทมพระเจ้าเป็นดีเงอขึ้นไปยังห้องบอกว่าใครอยู่ในแถบนี้ข้ารู้ทั้งหมด อถ้าอันนั้นออกมาค่าจะไม่ไว้หน้าใครทั้งหมดอค่าจะต้องจัดการตามกฎระเบียบพอได้ยินตอนไหนฟ้าชายโผล่ออกมา ล, ลูกลูกชายโผล่ออกมาออกมาโอ้ยอมรับพ่อละเอมืองเรื่องอะไรก็เลย ร, รู้พอรู้จากนั้นก็เลยขังขังลูกชายให้พวกนั้นขังลูกชายเอาไว้จนจนกว่า พระบิดาสวรรคตรและยังค่อยเอามาคองราชสมบัติต่อไปนี่พระพุทธองค์พูดให้พระเจ้าพิมพิสารฟังในขณะที่พระเจ้าพิมพิสารถามว่าอันตชาตินั้นเป็นยังไงพระเจ้าข่าที่ขังลูกชายไว้จึงสวยราชพระองค์ก็เลพูดจบแต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะความรัก ในพระเจ้าชาติสูที่เป็นบุตรชายของตนเองนะพอจากนั้นต่อมาแล้กลูกชายก็เป็นใหญ่ขึ้นมา ก, กันนะได้จับพระบิดาแข่งที่ไปขมสมทบกับพระเทวทัตนจนถึงพระเจ้าพิพิษารท่านก็เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยไปขังไว้ตีนเขาอมองเห็นกิจกูดเขากิจกูดเห็นแสงไฟล่ำลายกลางคืน ก็มีปิติมีความสุขถึงจะไม่ได้ทานอาหารถึงไม่ได้ทานน้าก็มีความสุขทางด้านจิตใจผลที่สุขพระเจ้าซาตูที่เป็นบุตรชายเขาเอามีเอามีดกรีดฝ่าเท้าไม่ให้เดินได้ไม่ให้เดินจงกลมในห้องโอ้ทรมานหลายๆอย่างเรื๋ยวพวกเราอ่านในพระไตรไปิฎกเขาแล้วกันเถอเนี่ยจากนั้นก็พระเจ้าพิมพิสารก็เลยสวรรคตพอสวรรคตเสร็จแล้วพระเจ้าอาซาตูประาสาูต พระราชาโอรสของตัวเองอีกเหมือนกันในวันนั้นแต่นี้ก็พระเจ้าพิมพิสารก็สวรรคตในวันนั้นพระเจ้าอช า, า, า, าติโตูก็ได้ลูกชายในวันนั้นแต่นี้พอทั้งสองอย่างคือสวรรคตกับวันเกิดโวคอมตมหาเล็กที่จะเข้าไปเสนอเรื่องราวให้กับพระเจ้าพระชาติจัตรู พอเดินไปไปเจอกันดุนอยู่หน้าประตูหวังมาอะไรตอนึ่งนผมพระเจ้าพิมพิสารพระบิดาสวรรคคตแล้วนะมาเนี่ยคนหนึ่งว่ามาอะไรผมมากราบทุนพระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวลูกชายของพระองค์ประจุดแล้วพระองค์ได้ลูกชายแล้วก็เลยปรึกษากันอํามาตย์สองคนไอ้ใครจะเข้าไปก่อนอันหนึ่งตายอันหนึ่งเกิด ก็เลยก เ, เกิดเข้าไปก่อนมาไป เ, าเกิดเข้าไปก่อดไปนี่ยตอนนี้แบบเกิดก็เข้าไปไปกราบทูลพระเจ้าประชาชนตรูว่าโอ้พระองค์ได้ลูกชายแล้วหน้าตาน่ารักร่างกายแข็งแรงพูดบรรยายจบแล้โอ้ดีใจกําลังใจฟูอยู่ก็เอือพระบิดาของข้าเนี่ยพระเจ้าพ ร, พระบิดาคงจะรักเราเหมือนกับเรารักลูกนี่เหมือนกันในะวันแรกนะยังคิดถึงพ่อเลยนะเทเนี้ พอคิดถึงพ่อพระบิดาคงจะรักเราเหมือนกับเรารักลูกในวันนี้นะแต่ทำํำไมเราจะไปหาขังพ่อไว้อย่างนั้นตอนนี้พอพอจบด้วยทีนี้คนทีลออ่ลาออกอํามาศคนนี่ลาออกผมอํามาศคนที่สองก็เข้าไปเข้าไปมาไราพระบิดาสวรรคตแล้วพระเจ้าขาดออะไรก่ะบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารพระบิดาสวรรคคตแล้วพระเจ้าค่ะ เท่านั้นแหละหมดสติเลยคล้ายๆกับว่าโอ้โหมันเป็นความคิดที่คาดไม่ถึงเลยว่าพระบิดาจะสวรรคตนะตัวเองเลยหมดสติหมดเป็นลมเลยในช่วงนั้นนะพระเจ้าอิชาศัตรูมาสำนึ ก, น, กนึกได้เมื่อพ่อตายแล้วนะจากนั้นก็ถามสองสามครั้งก็เออจบทําไงไดนะ้จากนั้นก็เสียใจเลย กันไปกราบพ่อแม่พระมารดาพ่อแมรดาเป็นไงสมัยเมื่อผมเป็นกุมารพระบิดารักผมไหมแม่โห้ยไม่รักยังไงลูกเลยขนาดเป็นฝีเนี่ยยังไม่ให้ใครบีบใครเค้นออกกลัวลูกจะเจ็บปวดใช้ปากดูดหัวฝีออกจากหัวเข่าของลูกจะไม่รักขนาดไห น, ไหนยังไงพระบิดารักลูกมาก โอ้พระเจ้าข้าสตวตัลลก็เลยรู้สึกเสียใจอย่างมากแต่จะทํำยังไงได้พระบิดาก็สวรรคตรไปแล้วต่อมาอีกพระเจ้าชาตตูก็ อ, อบอบช้ําทางจิตใจคิดมากคิดหนักเหมือนกันต่อมาอีกพนางอคคเมศีพระเจ้าปิมิศรก็สวรรคตรอีกตายอีกเพราะว่า คิดถึงพระสวามีนี่แหละอันนี้ก็ต่อมาพระเจ้าเป็นพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าชาติศัตรูกับครองราชในหละช่วงนี้คือพระเจ้าประเสณที่โกศลกรุงสาวัตถีก็ยกพลมาเพื่อจะแจ้งเอาราชสมบัติเพราะว่าพระเจ้าหลานเนี่ยทำตนไม่ดีฆ่าพ่อแลบแม่ตายอีกตาาก่างหากกับขนาดยังงั้นนี่แหละที่สาทกเรื่องนี้ขึ้นมา ให้พวกลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาเนี่ยเพราะอะไรให้พวกเราคิดดูว่าพักคุณของพ่อแม่พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยขนาดไหนอันนี้อยุบมาในพระไตรปิฎกมาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพวกเราท่านทั้งหลายให้ให้รู้จักพักคุณของบิดามารดาแล้วก็ให้รู้จักวางตัวให้ถูก พระบิดาพระปานดารักลูกขนาดไหนแต่พวกเราในฐานะลูกเนี่ยจะรู้จักพระคุณของพ่อแม่มากน้อยอย่างไรแค่ไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของบุทธิดาทุกคนจะต้องคิดนำลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามานในหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ว่าพ่อแม่เป็นบุพาการีบุคคลผู้มีอุปกราระก่อนเป็นบุ เป็นผู้มีความผิดผู้มีเมตตาเป็นพรมของบุตรเป็นผมผู้อยู่ในผร ม, มวิหารแล้วก็เป็นพระหานของบุตริดาเป็นบุพก า, ารย์เป็นอาจารย์ของแรกเป็นคนแรกของบุตริดาเพราะนั้นท่านยกพระบิดามารดาของเราเนี่ยสูงมาก แต่บางคนก็มาถามหลวงพ่อเหมือนกันนะที่เรายกพ่อแม่ของเราเป็นพระรหันต์เนี่ยจะไม่เกินไปเหรอเปรียบเทียบกับพระรหันต์พ่อแม่ของเรายังมีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หลวงพ่อก็ตอบไปว่าอันนี้ท่านไม่ได้ยกว่าพ่อแม่ของเราเป็นพระรหันต์กับทุกคนไม่ใช่ท่านก็เปรียบเทียบให้ชัดเจนอยู่แล้วถ้าเราไม่โง่ามากจนเกินไปนนถ้าเราโง่ามากเราก็คงจะมองไม่เห็นอนนี้พระพุทธองค์บอกว่า พ่อแม่เป็นพระหานของบุตรธิดามันใช่หไม่ใช่ว่าเป็นพระหานของทุกคนไม่ใช่บุตรธิดาถ้าเรายังลำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ตนเองไม่ได้ก็ชักจะเกินไปเสิแล้วเราพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาขนาดไหนถ้าเราท่านไม่ไม่เลี้ยงดูเรามาเราจะอยู่เราจะได้เป็นใหญ่โตถึงขนาดนี้เหรอเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราเลี้ยงท่านตอบ ทำกิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอันอันนี้ก็คือหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคนจะต้องได้คิดถ้าผู้มีปัญญามากมีแนวความคิดกว้างไกลมีปัญญาจะลํำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ เป็นมหาศาลมากมายอันไหนก็คือพ่อแม่ทั้งหมดที่ให้เรามาให้ความรู้เรามาเราให้แนวความคิดเรามาเลี้ยงดูอาหารการบริโภคของเราคิดไปทหลายก็ยิ่งกว้างขวางอย่างพวกเราท่านทั้งหลายท่านพูดในพระไตรปิฎดกดท่านบอกว่าถ้าหากว่าสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญา จะบรรยายพระธรรมคําสอนหรือบรรยายพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนทั้งพบทั้งชาติก็ยังไม่บรรยายไม่จบเพราะเหตุไรเพราะคุณของพระคุณของพระพุทธเจ้ามากจนครณาหาประมาณไม่ได้จนกว่าตัวเองได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นแหละแปลว่าจบสุดสิน้นที่ในการเถอดทูลบูชาพระคุณของ พระพุทธเจ้านี่ก็เหมือนกันถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ตราบใดเราก็ยังจำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ที่มีพระคุณสำหรับเรามากมายทีเดียวถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเรามาเราจะเป็นอย่างนี้ได้หรือนี่แหละอันนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านยกปราสาดชัตรูท่านก็ไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามผมเหง หรือวันรังแกอะไรทั้งหมดอันนี้พูดตามความเป็นจริงแต่ท่านก็ไม่ได้พูดถึงว่าอดีตชาติของพระเจ้าพิมพ์พิสารนั้นเป็นมาอย่างไรจึงมาให้ถูกลูกถูกทรมานอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากก็มีอยู่เป็นบางครั้งบา ง, บางตอนนิดหน่อยที่เป็นอุปกรรมของพระเจ้าพิมพ์พิสารแต่ท่านทําบาปทํากรรมอันไหนไว้ในอดีตชาติจึงมาถูกรังแกเบียดเบียน ทั้งที่ท่านจะเป็นพระสูดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำแล้วตอนนี้นเมื่อเมื่อท่านสวรรคตรไปที่โกงขังที่ตีนเขาตีนเขากิจกูดถ้าเราลงมาจากตีนเขาคิจกูดเราจะเห็นเขาจะพาไปดูว่าโกงขังที่เขาที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสารเราจะพวกเขาจะแนะนำ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตแล้วตายแล้วท่านพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามเลยก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าพิมพิสารไปที่ไหนครับผมเพราะพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ถวายวัดป่าเวิุวันด้วยเป็นผู้เดบฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเป็นผู้นําพุทธศาสนิกชนให้นับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วย ทำคุณประโยชน์กับพระพุทธศาสนามากมายเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจะไปที่ไหนไปเจ้าข่าวิญญาณของเขาพระพุทธองค์บอกว่าพระเจ้าพิมพิสารได้สำเร็จพระสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำแต่ว่าเขาไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นจาตุงคือเป็นชั้นต่ำสวรรค์ชั้นแรกพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้กราบทูลถามถามพระพุทธเจ้าว่า ทำไมพระเจ้าพิมพิสารจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตูมทั้งที่จะไปชั้นอื่นเพราะว่าเป็นพระโสดาบันแล้วพระองค์บอกว่าพระเจ้าพิมพิสารจะไปสวรรค์ชั้นไหนก็ได้ในหกชั้นเพราะว่าเป็นพระโสดาบันแต่นี้พระเจ้าพิมพิสารท่านเคยอยู่ชั้นจาตูมมานมนานไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ เวลาลงมาสร้างบารมีเหลือเกินไปคิดถึงสวรรค์ชั้นจาตูมเพราะเป็นเครือญาติเก่าแก่ดึกตําบันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพอขึ้นมาถ้าไปสวรรค์แล้วพอไปอยู่ชั้นจาตูมเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นพระเจ้าพิมพิสารเมื่อสวรรคตไปแล้วท่านที่จะไปสู่สวรรค์ชั้นอื่นชั้นที่สูงกว่าแต่นี่พระ อ, องค์ล้ำลึกเลือกคิดถึงหมู่ญาติในชั้นจาตุมเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์จึงได้ไปเกิด อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมกับหมูญาติจากนั้นก็คงจะมาเกิดอีกหนึ่งชาติสามชาติ7ชาติอันนี้ท่านเขาไม่ได้บอกเอาไว้เป็นพระพระสุราบันเกรดไหนคือเกรด E ีคือเกรดเอพระสุรบันเกรด A ลงมาเกิดเพียงชาติเดียวก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันถ้าเกรดบีสมชาติเกิดมาได้เกิดสมชาติจากนั้นก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหัน์ ถ้าเกรด4ก็เรียกว่าสตุขคตะปรมะในพบาลีนะว่าเกร2เนี่ยแบบคือเกร B เรี่กอี่กพีกลังกละข้อที่2กลังกละเกร3เนี่ยสตุขคตะปรมะเกิดเจ็ดชาติแต่ไม่รู้ว่าพระเจ้าพิมิสานจะเกรดไหนคงจะเป็นเกรด A ก็มั้ง ท่านก็ชงได้สำเร็จเป็นพระหารมาลงมาบำเพ็ญอีกนี่แหละอันนี้ก็คือบอกกล่าวเล่าให้แก่พระลูกพระหลานฟังให้พวกเราสำานึกไว้ว่าพระบิดาบิดามารดาของเรานะเป็นผู้มีอุปคระคุณอย่างมากต่อบุตรธิดาแต่เมื่อพระเจ้าชาตรู้เถิดเมื่อท่านทำ ปิดตุคาตคือฆ่าพระบิดาแล้วจัดในอนันตริยกรรมห้ามาตุคาตขฆ่ามารดาปิดตุคาตขฆ่าบิดาอารานตะคาตขฆ่าพระหันโลหิตตุบาททำร้ายพระพุทธเจ้ายางพโลหิตให้ห่อสังฆเภทยุโยงสงให้แตกกันบาพาอย่างนี้บาปหนักที่สุดในพุทธศาสนาตั้งอยู่ในปาลชิกของผู้นับถือศาสนาห้ามสวรรค์ห้าม น, านิพพาน ไม่มีสวรรค์ น, นิพานโพนี้มีตะลงอเวจีมหานรกเท่านั้นถ้าว่าใครอยู่ในอนันตริยกรรมห้านี้อันนี้คือพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้จากนั้นก็ต่อมาที่นี่พระเจ้าอาชาติศาตรูกระสมคบกับพระเทวทัตอพระเทวทัตก็อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าจะนั้นก็จ้างนายขมังทนูไปเพื่อดักยิงพระพุทธเจ้าก็ไม่สําเร็จพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธ จากนั้นพระเทวทัตปล่อยให้พระเจ้าชาอาชาตศัตรูปล่อยช้างนาฬากิริงเพื่อจะมาบทขยี้พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ช้างนาฬากิริงออกมาก็เหมาะช่วยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระเทวทัตไม่หนำใจขึ้นไปบนภูเขากิจกุฎปิ่งก้อนเห็นลงมาเพื่อจะให้ทับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาฝ่าเท้ารองรับถ้าว่าไม่เจ็บเลยเทวทัตก็จะ โกรธอย่างมากเทวทัว ต, กวตก็หงุดหงิไปโดยไปสู่อโยเวจีพระพุทธเจ้าหิบปาเท้ารองรับอย่างพระโลหิตให้ห่ อ, อพอเทวทัวตเห็นไหมถึงจะไม่ตายกับฝาตีนฝวาเท้าหอก็แล้วกันฮะได้ ใ, ใจน้อยหนึง่งแต่ตอนนี้ก็พระเทวทัตยังคิดอยู่ใน ใ, นใจจนถึงครั้งสุดท้ายก็ยแผ่นตีนสูบพระเทวทัตซะ ก็เลยจบไปแต่นี้รพระเจ้าชาติดูพอเห็นลูกพี่แผ่นดินสูปแล้วจนี่ใจวันไหวไว้แข ว, ว่งเนี่ยกลัวบาปทะนี่ข้าจะเป็นยังไงอีกอา่าโทร่สุดก็เลยนายหมอชีวโกโกมารพัฒนอนเดือนสิบสองเป็นเดือนงานเนี่ยเราจะไปที่ไหนดีมีคนเสนอวัา น, น่าจะไปกราบพระพุทธเจ้ า, าจะเป็นประโยชน์กว่าเพราะเราจะต้องได้รับการศึกษาที่ดี เทวเจ้าชาตูอยากจะไปกราบพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครนําไปเพราะใครๆก็กลัวไ ม, ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้พระพุทธเจ้าจะรับเสด็จหรือเปล่าเขาไม่รู้เนี่ยเพราะทเทวทัตพระเจ้าชาตูจะฆ่าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเข้าสมคบกับพระเทวทัตนจากนั้นหมอชีวกโกมาลพัท ที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่เป็นสําเร็จพรั ส, สดูาบัต์แอบก็เลยแนะนําพอแนะนําเสร็จแล้วพระเจ้าหมอชีวโกโคลมาละพัฒนเป็นผู้นําเขาไปกราบก่อนนะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสเอา้ามาไดา้หมอชีวกเลยมาบอกพระเจ้าพิมพิสารที่รออยู่หน้าประตูวัดป่าเวลุวันจากนั้นก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังนะพระองค์ไม่มีอะไร แสดงธรรมะให้ฟังพระเจ้าซาตสตรูได้ยินธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าน่ยโอ้ซึ้งในจิตในใจเพราะในจิตใน ใ, นใจแต่ก่อนมันมันมีแต่พยาบาทอาฆาตใช่ไหมแต่ทีนี้พอได้ฟังธรรมเทศนาในคราวนี้เนี่ยมันหมดความอาฆาตในใจเพราะกลัวที่วัดเทวทัตกับลูกพี่ใหญ่กับแผ่นดินสูบแล้วเนี่ยอย่าก็ใกล้่ายอมสิโลราบแล้วสิฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ากุเทศให้ฟังพอเทศออกมาจบแล้วพระผัสสงก็ถามได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าอาซาจัตรูเนี่ยเมื่อเขาได้ฟังทำในครั้งนี้ดูสิว่าเขาเคารพธรรมะของพระพุทธเจ้าวันนี้กับเป็นธรรมะที่โอ้โหเหมือนกับอทองฟ้ามาหาสมุทรเอ็มไปด้วยน้ำที่ใหญ่ไหลยเย็นส่ำสะอาด ทุกอย่างเลยถ้าว่าเป็นธรรมดาเนี่ยคนทั้งหลายฟังเนี่ยจะได้สําเร็จมักสําเร็จผลพระพุทธองค์บอกว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยฆ่าพ่อแล้วอนันตริยกรรมห้าเนี่ยฆ่าพ่อแล้วหมดโอกาสที่จะได้มักได้ผลเขาจะต้องได้ใช้กรรมเท่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้สําเร็จเขาไม่ได้มักได้ผลเลยในครั้งนี้เพราะว่าบาปกรำของเขาที่เขา ฆ่าพระบิดาและสำเร็จโทษพระบิดาเพราะฉนั้นเขาไม่ได้สําเร็จชาตินี้ยังไงเขาก็ทําบุญทําดีไม่ได้ดีทํามีทำชั่วในชั่วแน่ยทําบุญไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลแต่ถ้าว่าเขาไม่ได้ฆ่าพระบิดานะะเขาจะได้สําเร็จพระโชดาบันฟังเทศในวันนี้หลวงพ่อตธองค์พยากรณ์ได้ทํานายแต่ขยับพอดีอยู่นะ นับพระเจ้าซาสตูเนี่ยเป็นผู้มีบุญอยู่อย่างหนึ่งท่านเรามองมองดูเมื่อพระพุทธเจ้าพระริเนปานไปแล้วเนี่ยพระมหาการตปพระอานุ์คณะสงฆ์ทั้งหลายว่าเราจะทํำยังไงต่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะให้เป็นหมวดหมู่เอ่อถ้าเราไม่ถ้าพระสาวกทั้งหลายไม่ช่วยกันให้เก็บเป็นหมวดหมู่แล้วเราจะทํำยังไงควรจะมีควรจะทําให้เป็นหมวดหมู่ เห็นด้วยไหมพระมหากัรสปะพร้อมกับพระสงฆ์เสนอเพราะว่ามีพระองค์หนึ่งพระที่บวชภายแกเ่เป็นลูกศิษย์ของพระมหากัรสปะพระสงฆ์ทั้งหลายร้องหม่มร้องให้ที่พระพุทธเจ้าปรินิพานบางองค์ก็บอกโอ้ข้าพรเจ้ายังไม่ได้สําเร็จขั้นไหนเลยพรพุทธเจ้าปรินิพานแล้ว จะใครเนอจะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้ากลุ่มหนึ่งก็โอ้ข้าพเจ้าได้สําเร็จพระโสดาบันแต่ใครหนอจะสอนให้ถึงพระสกทาคารมีอนาคามีพระอรหันต์พอพระพุทธเจ้าป ร, รินิพานแล้วทำให้ข้าพเจ้าเนิ่นช้าต่อไปอีกคือสจบแล้วก็คือพระที่ได้ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีความพิตกกังวลต่างคนก็ต่างคิด แต่พระอรหันต์ผู้ที่ได้สาเร็จพระอรหันต์แล้วเออจบมิตะพงความสรดโอ้พระพุทธเจ้าโปรมครูของพวกเรานี่ยเนะาะสั่งสอนพวกเราได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลแล้วพระองค์ก็เป็นผู้ได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ไม่มีไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายได้หนอพระองค์ก็ถึงจุดปรินิพานเจะแล้ว ตะกอนก็เป็นที่พึ่งของ เ, เทวดาและมนุษย์ทางหลายแต่พระนิพพุนได้ปรินิพานแน่นอเกิดความสรุปสังเวทใจจะมีแต่ปงปงทำสังเวทในใจของพระหรันก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากไปโดยปงตกปงในทางที่ถูกต้องออแต่ว่าพระแก่องค์เนี้ยที่เป็นลูกศิษย์พระมหากัะสปะานี่กลับคิดไปอย่างอื่นอีกเถะเออพระพุทธเจ้าตายไปแล้วกว็ดีแล้วนี่ย เออพวกท่านทั้งหลายจะไปร้องผมร้องไห้ทําไมเพราะพระพุทธเจ้าตายไปแล้วดีแล้วเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะถ้าพวกเราทําผิดอะไรเล็กๆน้อย ๆ, ๆกับอย่าทำอย่างนั้นนะเป็นอาบัติอย่างนี้ทำแนละ้วเป็นบาปเออไม่จะบอกกล่าวแต่นี้พระพุทธเจ้าบริณิพานไปแล้วพวกเราอยู่เบื้องหลังทีนี้ไม่ต้องมีใครบอกกล่าวเราอยากจะทําอะไรแล้วทําตามอําเภอใจทําตามมัทธาใจทําได้สบาย พระองค์เนี่พระแก่องค์เนี่ยพูดกลับอีกอย่างหนึ่งพระมหากัสป่าชมอูไม่ได้ถ้าว่ามีคนพูดอย่างพระองค์นี้พุทธศาสนาจะอยู่นานสักเท่าไหร่คงจะไม่มีคงจะอยู่ไม่ได้นานเพราะมีการจ่วงจาบอย่างร้ายแรงเพราะนั้นควรจะมีการประชุมหาหรือส่งคนมีสังฆายยนาพระธรรมวินยัยให้เป็นหมวดหมู่ จากนั้นพระมหากัตถะก็เรียกประชุมสงฆ์มีพระ อ, อนุรุทธกัตปะอานน์มีพระคีนาศบทั้งหลายมีพระหรหันทั้งหลายเอาห้าร้อยองค์แต่พระอาโ น, นยังเป็นพรัสดาบันอยู่ในช่วงนั้นยังไม่ถึงฮะยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระหรหันแต่จะทํำยังไง ถ้าว่าจะมีการประชุมวันพุ่งนี้มลือนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าพระอานุ์ขาดพระอานุ์ไม่ได้ในการทําสังขารยนาดเพราะพระอานุ์เป็นพระหุสสุเป็นคลังพระไตรปิฎกเป็นครังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะพระอานุ์จะได้เป็นพุทธถ้อุปถาจะขอพรจากพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์ไปแสดงธรรมที่ใด กลับมาแล้วก็ขอให้พูดแสดงทำให้ข้าพระองค์ฟังเป็นรอบที่สองและก็ข้าพระองค์มีความสงใจในธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นเวลากลางค่ํากลางคืนเวลาไหนก็ตามขอให้ข้าพุเจ้าได้เข้าไปถามในความข่องใจหรือถามอัตธรรมข้อนั้นจากพระองค์ได้ทุกเวลาอันนี้ก็คือพรแปประการมี8อย่างแต่หลวงพ่อยกมาสองประเด็น2อย่างให้พวกเราได้ศึกษานี่ยนะพระอนนท์เป็นผู้ รอบรู้แล้วเป็นครั่งพระธรรมคําคสอนพรงไปที่ใดใพอมาแล้วก็มาพูดให้พระอ น, นุ์ฟังเออวันนี้เราตถาคตไปกรุงสาวัตถีนะไปพบกับเศรษฐีเขามาทําบุญเราได้แสดงทำให้เขาอย่างนี้อย่างนี้อนี้พระอ น, นุนก็จำเอาไว้พอต่อไปภายภาคหน้าจะมีคนถามท่านอ น, นุนบอกพระเจ้าเสด็จไปกรุงสาวัตถีในคราวนั้นไปแสดงให้แทงทําทให้พวกเศรษฐีฟัง หรือพวกษัตริย์ฟังท่านรู้ไหมป่าอนุนรู้เพราะอะไรเพราพระพุทธเจ้ามาพูดมาตรัสให้ฟังอีกรอบที่สองนี่แหละเพราะฉะนั้นพระอานุ์จึงเป็นคลังคลังพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่พระอานุนทั้งหมดแต่พระอานนุ์ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันยังเป็นพระโสดาบันอยู่แต่พระพุทธเจ้าทํานายบอกว่าดูก่อนอานุ์คือพระอานุ์ ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคืนจะปรินิานพานพระนนท์เสียใจร้องให้ อ, อน้ําตาฟูยไฟเพราะอายุแปดสิบปีแล้วนะ อ, อพระพุทธองค์บอว่าอานนท์เราจะได้อีกไม่นานจวนจะสว่างเราจะปรินิพานนะพระสงฆ์ทั้งหลายนะพระนนท์ก็นั่งอยู่นั้นนะก็ถามพระนนท์ก่อนเมื่อพระพุทธองค์จะปรินิพานไปแล้วจะให้ข้าพระองค์จัดการ กับสรีระของพระพุทธองค์อย่างไรพระเจ้าข่าพระพุทธองค์บอกว่าอย่าเลยอนุนเรื่องสรีระของเราเนี่ยเป็นหน้าที่ของมันลักขศัตไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์พระสงฆ์ทั้งหลายให้ตั้งใจภาวนาให้ตั้งใจปฏิบัติให้เผากิเลสให้เหงื่อแท้งให้เป็นพระโสดาจักทาคาอนาคารหันนั่นแหละเป็นหน้าที่ของพวกท่านแต่เรื่องสรีระของเราเนี่ยเป็นหน้าที่ของมันลักขศัตเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ที่จะต้อง ประชุมหรือจัดการไม่ใช่หน้าที่ของส่งนะไปพวกท่านทั้งหลายเผากิเลสก็แล้ววันแต่พระอา น, นุ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าอีกว่าใช่พระเจ้าค่ะไม่ใช่หน้าที่ของข้าพระองค์ก็จริงอยู่พวกข้าพระองค์ก็จริงอยู่แต่เมื่อพระุธองค์ปรินิพพาน ล, ลงไปแล้วพวกมาลักษัตริย์ก็จะถามพวกข้าพระองค์ว่าจะให้พวกข้าพระองค์จะจัดการกับสิริละของพระพุทธเจ้าอย่างไร แล้วจะให้พวกข้าพระองค์ตอบเขาอย่างไรพระเจ้าขา่าพระานน์ฉลาดนะพระองค์เออถ้าเขาถามอย่างนั้นก็ให้บอกเขาว่าเมื่อเราตถาคตปรินิพานแล้วให้จัดการอย่างพระเจ้าจักรพรรดิจัดการเหมือนขาเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิสวรรคนครบพะานนก็กราบทูลถามอีกว่าพระเจ้าจักร พ, พรรดิ สวรรคตเนี่ยเขาจัดการยังไงพระเจ้าข่า เ, เพราะว่าในยุคนี้สมัยนี้ไม่มีพระเจ้าจักรพรรดิีแต่พระเจ้าแผ่นดินธรรมดาไม่มีเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ก็บอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิสวรรคตลงไปก็พวกอํามาตะลาดชเวกผู้ที่เคารพนับถือก็ชำํำระผวรากายของพระเจ้าจักรพรรดิให้สะอาด จากนั้นก็ใส่ผงแต่งตรงทรงตัวให้พร้อมจากนั้นก็เอาสำลีชุบด้วยน้ำมันที่หุงด้วยร้อยครั้งหุน้ำมันหุงน้ำมันหอมนะที่น้ำน้ำหอมเนี่ยหุงอีกตั้งร้อยครั้งคือละเอียดมากแล้วก็ชุบด้วยสำลีแล้วก็พันประวรากายของพระเจ้าจากักรพรรด จากนั้นเอาผ้าขาวผ้าบางพันอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็เอาจำรีชุบน้ําหอมอีกพันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาผ้าขาวพันอีกรอบหนึ่งทําอย่างนี้ถึงห้าร้อยครั้งห้าร้อยชั้นจากนั้นจะนําลงในหีบเหล็กหรือลางเหล็กแล้วก็มีฝาครอบจากนั้นก็ยกขึ้นไปบนเชิงตะกอ ที่ไม้หอมมีไม้หอมนานาชนิดแล้วก็ถวายพระเพลิงพระเจ้าจักรพรรดิอันนี้ก็คือพระพุทธองค์สั่งเสียบอกกล่าวกับพระอานนุ์พอพระอานุ์ได้ยินเท่านั้นโอ้โหวาดมโนภาพไปตามทัวทำอย่างนั้นโอ้เผาพระพุทธเจ้าแน่แนเออพระอโอ้โหขาดยังเป็นพระโสดาบันยังไม่ได้สาเร็จเป็นพระรหัสนี่เพราะพระอาจารย์ก็ตายไปเสียแล้วเหมือนกับ พี่เลี้ยงมือพี่เลี้ยงเลี้ยงเด็กกำลังเพียงหัดเดินเท่านั้นเราเพียงหัดเดินคือพระโสดาบันพี่เลี้ยงก็ตายไปแล้วเราจะพึ่งพาอาศัยใครเอี่ยหนอนี่พระ้านนเกิดความสรดสังเวชใจในขณะที่ฟังที่พระพุทธเจ้าสั่งเสียก็เดินออกมาจากสายตาที่วัด อ, ออกมาจากที่บรรทมของพระพุทธเจ้า ออกมาก็มากเกาะหรือลูกกรงลาวบันไดยอยู่ข้างนอกศาลานะร้องไห้เลยทนีออ้อายุแปดสิบปีผมผ้าจีบรสันเทิมไปทั้งองค์พระอานน์ร้องไห้เสียใจอย่างมากคิดว่าเรายังไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์แต่เนี้พอพระพุทธองค์สั่งเสียเสร็จแล้วพระ อ, อ น, นุ์ก็หายเงียบไป พระ อ, องค์ก็ถามว่าอานน์หายไปไหนพระสงฆ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระอานนท์ไปเกาะที่เลาวลูกกองบันไดเยลาวลูกกองที่ทางขึ้นมาทางบันไดเอคือบ่าเกาะหัวสิงห์ว่านะในบันไดที่จะขึ้นมาสาลาร้องไห้อยู่พระเจ้าค่ะพระสงฆ์พระพุทธ์บอกว่าเรียกอานน์มานี่ไปเรียกมา พระสงฆ์ก็รีบไปบอกพระนวลก็ขึ้นมามากระลาบพระพุทธเจ้าบอกอานน์ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนอน่ท่านก็ทําปฏิบัติหน้าที่อุปถายไม่แพ้องค์ก่อนดีหมดทุกอย่างเราไม่ได้ตําหนิท่านเลยแม้แต่หน่อยเดียวในการดูแลอุปถัมระถาเราสถาคตท่านทําดีถูกต้องหมดทุกอย่างแต่เอาเถอะจากนี้ไปสามเดือน จากวันนี้ลไปสามเดือนท่านจะได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์จากนี้ไปสามเดือนนี่พระอนนท์พอได้ยินคํานี้ท่านั้นแหละชื่นใจขึ้นมาทันทีชื่นอกชื่นใจโอ้โหข้าจะได้สําเร็จอย่างพระพุทธเจ้าตรัสคำไหนหนึ่งไม่มีสองออที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้แล้วหนึ่งไม่มีสองอันนี้เราจะได้สําเร็จสบายใจขึ้นมาทันที ภูมิใจขึ้นมาจากนั้นพระองค์ก็ได้สั่งจวนสว่างพระอาทิตย์กําลังจะโผวันใหม่พระองค์ก็สั่งว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขยะวยธรรมมาสร้างข้าลานสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดจากนั้นพระองค์ก็หยุดพูดอ่า พอหุดพูดจะทาการปรินิพานเลยตัวนี้ทำการปรินิพานจากนั้นพระอนุรทุทธะที่เป็นอัครสาวกที่เป็นพระลูกเอคล้ายๆว่าเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกับพระอนุ์เหมือนกันคือพระเจ้าจุดโทธนะเนี่ยเป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้านะคือพระเจ้าจุดโทธนะจุดโทธนะสุโกธนะโทโตทนะเ อ, อ โตตธนามิตตาปามิตาอมิตาคือผู้หญิงสองคนสุดท้ายที่เป็นแม่พระเทวทัตเนี่อแต่ว่าเป็นคนไหน เ, นเป็นเป็นเป็นพี่เป็นน้องกับพระอนุรุทธะกับพระอา น, นุ์เนี่ยจะเป็นสุโกธนะสุดโทธนัสุโกธนัโทโตธนัอมิโตเนี่ยอมิโตธนปมิตาอมิตามตาจากนั้นท่านก่อพระอนุรุทธะเนี่ย พอเป็นน้องเป็นลูกผู้น้องของพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งเข้าฌานสมาบัติตามพระจิตพระพุทธเจ้าเลยทะเนี่อตามพระจิตค่อยๆบอกพระองค์หยุดพูดแล้นะเงียบพระสงฆ์ท่านละเงียบอพอเงียบไปช่วระยะหนึ่งพระสงฆ์ก็ถามพระอนุรุทธาพระพุทธเจ้าปริเพปานอะไรอย่างพระอนุรุทธาว่าอย่างเดี๋ยวนี้พระองค์กําลังเข้าสู่ปฐมฌาน ประชงมชานตุชาชา ต, ติชัชานตติชัชานจะตุตชัชานเอ่และก็อาการอันสายจตนาเนวอสัญญาณาสัญญาจนถึงสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติสรุปแล้วก็คือเข้าฌานถึงชั้นที่เจพอชั้นที่เจ็ดยับลงมาชั้นที่หชั้นที่ห้าชั้นที่สี่ชั้นที่สี่คือจะตุตชัานเป็นฌานที่นั้นแหละเป็นฌานที่ ต่ําลงมาแท้ๆจนปฐมมชานพอปฐมมชานแท้ๆพระสงฆ์ก็ถามอยู่ชั้นไหนพระจิตของพระพุทธเจ้าอยู่ในระดับไหนพระโนรุทธะเถระที่เป็นพระรหันต์เป็นทผู้รู้จัดปริตะรู้เรื่องจิตใจของคู่คนรู้ว่าใครคิดเรื่องอะไรนยท่านตามตามพระจิตของพระพุทธเจ้าพอตามไปถึง รูปประชานกับอนรูปประชานอรูปเนี่ยกับรูปรูปก็คือฌานที่สี่รูปประชานอรูปประชานก็เดินไปตั้งแต่ฌานที่ห้าเพราะพุทธเจ้าปรินิพานในระหว่างฌานที่สี่กับฌานที่ห้าระหวา่างยังไม่ไม่เข้าสู่ฐานที่ห้าแต่ผลออกมาจากฌานที่สี่พระพุทธองค์ปรินิพานในระหว่าง ชาญที่สี่กับชานที่ห้าปรินิพานจากนั้นพระอนุทุธาบอกว่าพระพุทธองค์ปรินิพานแล้วหมดแล้วไม่กลับมาอีกแล้วจบแล้วพระองค์ปรินิพานในระหว่างชานที่สี่กับชานที่หนะ้าจากนั้นก็องค์ปรินิพานจากนั้นก็จบแล้วจะ้ะเลก็จัดการจากนั้นก็พวกที่ร้องห h o ร้องไห้ก็ว่ากันแล้วจะ้ะเลยนะ พระแก่ที่ว่าเนแต่เห็นคนร้องห่มร้องไห้ก็พูดไปอีกแนวหนึ่งนะจากนั้นก็เมื่อพระสงฆ์ทางหลายจัดจรีละของพระพุทธเจ้าแล้วได้เจ็ดวันนะเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานในช่วงนั้นนะพระมหากัะสปะเทระเนะี่ยยังไปเที่ยวเที่ยวทุดงอยู่ไดยยังเที่ยวทุดงอยู่พอเห็นดอก มนทาตกลงมาบนสวรรค์ก็เลยโอ้พระพุทธเจ้าเป็นอะไรก็เลยสืบทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้ามาถึงกรุงกุชินารา อ, อยู่ที่พุทิยานของพระเจ้ามารรกษัตย์ปรินิพานแล้วนะพระมหกากศัตริยก็พาบริวารห้าร้อยเดินลัดมาเลยเนละถึงเจ็ดวัด เ, เทวดาทั้งหลายเมื่อเมื่อเอาจรีละของพระพุทธองค์ ขึ้นบนใส่หีบเหล็กแล้วลางเหล็กแล้วนะ่ยนะยกขึ้นบนเชิงตะกอนะจะเอาไฟจุดนะจะถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเทวดามองไม่เห็นตัวนะพอเอาไฟจี้เข้าไปดับพิว้วพอจี้เข้าไปดับพิวนะ้วเอจุดใหม่ใหม่เหมืนกันนะคนเลยถามว่าทำไมปะนุรุทธะก็บอกว่า เทวดาไม่ให้ไหม่เพราะว่าพระมหากัสจปะยังเดินทางมาอยู่จะมากราบพระศรีละจะมากราบพระพุทธองค์ยังมาไม่ถึงรอจนถึงเจ็ดวันนะ<อ><อ>ที่พระพุทธเจ้าที่ได้นำพระศรีละไว้เจ็ดวันก็ะเพาะเนี่ยรอคอยพระมหากัสจปะจากนั้นพระมหากัสจปะก็เข้ามากราบพร้อมกับพระสงฆ์ห้าร้อย พอมากราบขึ้นมาแล้วฝ่าพระบาทพระพุทธเจ้าโผล่ออกมาจากหีบเปล็ด ก, กันีน่คือนายพัดนายพัะไตรปิฎกท่านพูดอย่างนั้นนะพระมหากัตริยก็เอาศีรษะเข้าไปใส่ฝ่าเท้าพระพุทธเจ้าจากนั้นก็กดเข้าไปพระว่าพระมหากัตปากถอยหลังออกม า, าพลท่านั้นล่ะไฟลุกขึ้นมาเองมนุษย์ไม่ต้องจุดแตจเจ้ยเทวดาเป็นผู้ ถวายพระเพิงในสรีระของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็มีการแจกบแบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุกันนี่แหละอันนี้คือมาพูดเกี่ยวกับ mm. เมื่อ พ, mm. พระพุทธเจ้าประินิพานไปแล้วจนเนพร ะ, พระมหากัตนปา พ, พูดกับพระอา น, นุ์กับคณะสงฆ์ว่ารเราจะมีการสังขา ย, ยนายอย่างไรไหม mm. เพราะว่าพระแก่ที่บวชมานี่พูดกล่าวอย่างนี้ mm. ร่วงจากอย่างนี้ไม่เป็นมงคลพระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นด้วยก็เลยนะัดเราจะไปชุมกันที่ไหนกรุงราช จ, จะคืเพราะว่าพระเจ้าชาตตรูเป็นสาสนาปถมพกให้พระเจ้ า, าชา ต, ราราราตรูเป็นเป็นสมาทิฏิขึ้นมาเลยเนเนี่ยเพราะนั่นแหละพระสงฆ์สั่งเ ย, ยรับทั้งหมดถึงก็เลยจัดประชุมที่สัตบัตินุคูหาก็ให้พระสงฆ์ไปดู สถานที่จัดสถานที่พระเจ้าประชานสตูลเป็นสาสนุประถมพกเลยตันี้เนี่ยแหละหลวงพ่อว่าทำให้พระเจ้าศัตรูล้างบาปกรรมจุดนี้พอสมควรในการจัดทำสังคายนาในครั้งนั้นแต่ก็ไม่พ้นพรา อ, อะไรเพราะาอานันตริยกรรมมันหนักหนักจนเกินไปจนไม่สามารถที่จะไปสู่สวรรค์ได้แต่ว่าทำก็ทำได้อยู่ ทำเป็นบุญกุศลเกี่ยวกับจัดสถานที่พระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสถานที่พระ ส, สงค์จะทํำขังสังขารนาเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระริเนปานเดือนหเพนใช่ไหมอีกสามเดือนข้างหน้าจะมีการประชุมทําไมจึงสามเดือนก็เพราะว่าคอยพระอ น, นุนที่ว่าอีกสามเดือนข้างหน้าจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์ประยาคอนอไว้ ถ้าจะทำก่อนได้ไหมได้กระพานนลเป็นพระสดาบันก็เป็นประวัติศาสตร์ออกมาว่าพระสงฆ์ทั้งหลายประชุมในวันทำสังคายนายนั้นมีอยู่499รูปมีพระอนนลองค์เดียวยังเป็นพะสดาบัตเมันจะเป็นประวัติออกมาเฮ้คนโบราณเขาไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่นี้ก็ในเมื่อพระอนนลได้สาเร็จเป็นพระหรหัน วันเดือนวันสุดท้ายนะ่พะพอได้สำเร็จเป็นพระหรหันวันนั้นก็ประชุมสงฆ์ในวันนั้นเลยแต่ทเมื่อพระอนณนสำเร็จเป็นพระหรหันน่กหน้าศึกษาอีกเหมือนกันนะคือพระอนุนก็นั่งภาวนาบมเพ็ญอย่างเต็มที่ท่านจะได้สำเร็จอายุแปดสิบปีแล้วนะ่ะ อายุเท่ากันกับพระพุทธเจ้าท่านก็บําเพลนอย่างเต็มที่พอบันเป็นวันนี้แหละสามเดือนครบวันนี้พอนั่งภาวนาบําเพญ็ญไม่ได้สําเร็จจนถึงจวนสว่างโอพระพุทธเจ้าทํานายบอกว่าเราจะได้สําเร็จเป็นพระหัน์ในคืนเนี้ตั้งแต่เมื่อวานเนยอีกสามเดือนข้างหน้าเนย แต่ผมไม่ได้บอกกำหนดว่าเวลาเท่าไหร่แต่นี่เราก็บาเพ็ญอย่างเต็มที่ก็ยังไม่ได้สาเร็จวันนี้คงจะไม่ได้สาเร็จเสร็จแล้วก็มัง้งฮพราะพระอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นมานั่งและออกจากสมาธิจะ น, นีแล้วก็จะเอนกายยไม่ไหวแล้วเหนื่อยอายุแปดสิบจะเนี่ยเอนกายกาลังจะทอดกายลง นอนใลข่าเองกายจะหน่อยคงจะไปบินถ้าบาทลักษณะอย่างนั้นน่ะในขณะที่เองกายลงนั้นน่ะพระอนลได้สําเร็จเป็นพระหันในขณะในเจ้จว่านั่งก็ไม่ใช่จ้าว่านอนก็ไม่ใช่ในระหว่วางเองงระหว่างเองกายพระอนลได้สําเร็จเป็นพระหันเจ้าว่นั่งก็ไม่ใช่จ้าว่นอนก็ไม่ใช่ลักษณะเองสรีระเองกาย ว่าถ้สำเร็จเป็นพระหรหันในขนานเออจบแล้วจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้เจนี้ก็พระสงฆ์ทั้งหลายทั้ง499รูปก็นัดเวลาได้เวลาแล้วก็เข้าไปไประชุมนั่นนงตามอายุพรรษาใครพรรษาเท่าไหร่็รู้กันพอเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามอนกันเป็นพระหรหันทั้งหมดจากนั้นพระอนุน์ก็ไปที่หลังเพื่อนใครเข้าบ บางองค์ที่ไม่มีญาณทัศนะก็มีอยู่เป็นพระหรหันต์ก็มีอยู่ที่ไม่มีญาณทัศนะคือพระโสดาภ า, ารานมีอยู่สี่จำพวกสี่จําพวกนะั่นคือสุขวิปัสสโกไอ้ค่าว่าตัวเองภาวนาได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์และกระจบไม่มีความรู้ไม่มีไม่รู้อดีตอนาคตย ร, รู้แต่ว่าสําเร็จเป็นพระหรหันต์แล้วเท่านั้นแหละอันนี้คือสุขะวิปัสสโก ตเตวิชโชสลัพิญโยปฏิสัมพิทัพปะโตพระหรหัสสามจำพวกนี้มีมีฤทธิ์มีเดชมีอิทธิฤทธิ์ ต, ตุจักอดีตอนาคตเหินหเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้พระหรหัสสามจำพวกนเนี่ยเตวิชโชสลัพพินโยปฏิสัมพิทั พ, พปะโตแต่พระหรหัสที่เป็นสุขะวิปัสสโกนเพียงตรู้ว่าตัวเองได้สําเร็จเป็นพระหรหัสเนี่ยเพราะฉะนั้นพระนอนุนก็ท่านก่อนอยากจะให้หมู่เพื่อนรับผู้รับสาว ผมได้จาเลยนะเนี่ยลักษณะอย่างนั้นตอนี้พระสงฆ์เขาเป็นนั่งพร้อมกันเขาก็เว้นที่พระอนุ์ไว้ตรงกลางเพราะอนุ์เป็นพระเถระผู้ใหญ่แต่มีอายุพรรษามากเขาก็เว้นที่ตรงกลางไว้ทิ้นพระอนุนน์นั่งตอนี้พอพระสงฆ์พร้อมหมดทุกกงแล้วพระอนุ์พดขึ้นมาตรงกลางเลยอให้เราเข้ามาตรงกลางขึ้นมา นั่งอยู่บนตรงกลางอาสนะเลยพระสงฆ์ทางหลายทั้งสุขภิปัตยโกเตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิธาประตรู้แก่ใจว่าท่านอานอนุ์สําเร็จเป็นพระอรหันแล้วเป็นผู้มีฤทธิ์ขึ้นมานั่งบนอาสนะตรงกลางแล้วนะนี่แหละอันนี้กรจากนั้นพระประหาคัขสปะก็ประกาศเออเอาพร้อมแล้วท่นี่พระสงฆ์ทั้งหมดห้าร้อรูปล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันตุกสิทธิพระพุทธเจ้า เราจะทําสังขารนาอะไรก่อนประกาศพระสงฆ์ทั้งหลายลงมติกันว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตยังอยู่ตราบนั้นเพราะฉะนั้นพุทธองค์ให้ความสัมพันธ์เรื่องกฎระเบียบเรื่องวินยัยควรจะสังขารนาพระวินัยก่อนอนี่แหล ะ, ะจากนั้นก็เอา้าใครที่ได้รับเอตตะคะจากพระพุทธเจ้า ที่ว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายที่เป็นลูกศิกษย์พระพุทธเจ้าที่ว่าเกี่ยวกับวินยัยพระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกว่าพระอุบาลีพระอุบาลีเถระเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่ได้รับเอตตะคะจากพระพุทธเจ้าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลา ย, ลายผู้แข่งในวินยัยผู้รู้วินยัยเมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นพระพุทธองค์ก็ให้พระอุบาลีเไปชำระคดีความ หลายเรื่องในในเมื่อพระองยังสงปพระชนอยู่คล้ายๆว่าพิธีการที่จะชำระวินัยทำยังไงพระอบอกให้จากนั้นก็ไปชำระจากนั้นก็พระอุบาลีเป็นผู้เลิศของพิสูจ์ทั้งหลายเออเอาให้ท่านอุบาลีเป็นผู้วิสัชนานะจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็นั่งร้อมรอบก็ถามนะั่นอท่านอุบาลีพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยข้อแรก ใครเป็นคนกระทำผิดกระทำผิดที่ไหนเรื่องอะไรแล้วก็ผู้ที่ทำต่อมาอีกในเรื่องเดียวกันนะั้นอนุปัญฏฐนะ์คืออะไรนะถามลงม า, าพระบุรีอุบาลีกับวิชชนาให้ฟังเลยไงนะเป็นยังงั้นยังงั้นยังงั้นยางงั้นทิขวบทที่สองเป็นยังไงที่3นี่แหละคือพระมหากรตปะพร้อมกับพระสงสังคาร ย, ยนาจากนั้นก็จดจาเลยนะ ไม่มีตัวหนังสือเลยไม่แต่จดจำเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มนี้ให้ท่องบนสาธายเกีย่ยวกับพินัยนะองค์หนึ่งพอจบแล้วก็อา้าวต่อไปก็เป็นพระสูตรพระสูตรก็คือเรื่องราวว่าพระพุทธเจ้าพูดยกเรื่องไหนก่อนท่านอาอ น, นปานอนกับกาบทูลกาบเรียนในท่ามกลางสงนะอันนี้แหละเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติบอกกล่าวให ลูกหลานได้ฟังอันเกี่ยวเนื่องมาจากพระเจ้าอาซาตสตรูหรือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นมาอย่างไรแล้วก็ทำไมจึงพูดเกี่ยวกับการสังคาจรนานด้วยก็คือพระเจ้าอาศาตศสตรูเนี่ยเป็นพุทธศาสนูประถมพกเป็นผู้จัดการเรื่องดูแลพระสงฆ์ทั้งห้าร้อยรูปในพรรษาเรื่องอาหารการบริโภคยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเจ็บที่พักภาใส พระเจ้าซาตุรเป็นพุทธศาสนูปะถะมพกทั้งหมดเนีอันนี้ก็คือเราจะไปพูดแต่พระเจ้าเป็นทินข้าพ่ อ, อเป็นหมู่เทวทัศน์อย่างเดียวนะอ่าก็คือมองมไปอีกมุมหนึ่งแต่ตอนนี้เทวพระเจ้าซาตุรเนี่ยท่านก็ไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวท่านก็ได้ช่วยเป็นพุทธศาสนาปถะมพกแต่ดูแลบำรุงพระพุทธาศาสนาเป็นประโยชน์ต่อพุทธาศาสนาไม่ใช่น้อยเหมือนกันนี่แหละการมองคนต้องมอง อย่าไปมองมุมเดียวข้างเดียวมองได้หลายด้านะจากนั้นก็มาบวกลบคูนหารดูอันนั้นคือความชั่วก็คือความโช่จะได้ล่ะไอความดีมีไหมถ้าบางทีความดีมีน้อยก็เออคนนี้มีความชั่วมากกว่าความดีฮแต่บางทีเออมีความดีมากกว่าความชั่วนะแต่ว่าข่าวนี้นะพระเจ้าสร้างศัตรูเนี่ยความดีกับความชั่นี่มากกว่ากันความชั่วมากกว่าฮ มากกว่าความดีแต่ความดีก็มีอยู่แต่ไม่สามารถที่จะยับยั้งความชั่วที่พระองค์ได้ทําไว้นั้ น, นกรรมของใครของเราอันนี้เพียงแต่เราได้เรียนรู้เรียนรู้ว่าเราจะเป็นเรียนแบบพระเจ้าอาซ า, าสตรูนะอจะเป็นเรียนแบบผู้ที่ทํากรรมชั่วเอาเรียนแบบที่พ้นที่สร้างแต่คุณงามความดีคนที่สร้างคุณงามความดีอันไหนในที่หลวงพ่อได้พูดมาองค์ไหน พระ อ, อนนท์อย่างนี้สร้างคุณงามความดีแล้วก็พระหมากระปาอย่างนี้แล้วก็พระสง์มรรคกษัตริย์มีเยอะแยะผู้ที่เป็นพระเอกการสร้างคุณงามความดีเราก็ยกท่านเหล่านั้นเป็นตัวอย่างของเราสิ่งไหนกรรมชั่วอย่าทําเสลยดีกว่า เ, เมื่อกรรมชั่วทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะตามสนองเพราะนั้นเรื่อง พระไตรปิฎกหรือว่าพุทธประวัติหรือสาวกประวัติหรือว่าความเป็นมาของพระพุทธศาสนาเแต่ถึงหลวงพ่อจะไม่ได้เรียนไ ม, ไม่ได้มหาป ร, ริญญาน ะ, ะก็ได้ศึกษาในสิ่งเหล่านี้พอสมควรไม่ใช่อวดไม่ใช่คิดคุยหลวงพ่อศึกษาพอสมควรที่หลวงพ่อพูดไปทั้งหมดนี่แหลอให้พวกลูกหลานได้ศึกษาอ่านดูซิอ่านดูซิศึกษาดูซิ เป็นจริงๆอย่างที่หลว ง, งพ่อได้พูดใหม่หลวงพ่อมั่นใจเกินร้อยแลหละหลวงพ่อพูดตามที่ได้ศึกษาที่ได้เรียนมาในพระไตรปิฎกนะผลนั้นขอให้ลูกหลานพระลูกพหลานทุกอง น, นนะฟังไว้เราจะพูดแต่เรื่องธทำเรื่องภาวนาอย่างเดียวแต่วันนี้หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับพุทธประวัติเรื่องความเป็นมาของพระพุทธศาสนา แต่ลอดถึงอุบาสิกุบาสิกาคือพระเจ้าปเสนพระเจ้าพิมพ์พิสารพระเจ้าอซาจัตรแล้วก็พระ ส, สงฆ์ทั้งหลายจะเป็นอุบาสกุบาสิกาในพุทธศาสนาในครั้งกันน้นให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาประดับสติปัญญาการพูดและการกล่าวสมโมทรนิยกถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาข อ, อยุดติเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิสักหน่อยละค่ อ, อยเลิกกันนะ